เราได้ติดต่อกับหลวงพ่อสมเด็จได้จริงๆอันที่จริงที่สำนักแห่งนี้ได้ติดต่อกับโอปปาติกะมากมายหลายองค์และถ้าจะนับถึงพวกโอปปาติกะชั้นธรรมดาที่ไม่มีความสำคัญอะไรซึ่งเปรียบเหมือนชาวบ้านธรรมดานั้นยิ่งนับไม่ท้วนเหมือนกับเราพบผู้คนในที่ต่างๆไปที่ไหนก็พบอยู่บ้านก็พบ